ความเป็นไปแห่งกรรมและความเป็นไปแห่งผลเป็นต้นมีรูปวิเคราะห์ว่ากรรมมัศปติจะผลัสสะปติจจะแปลว่าความเป็นไปแห่งกรรมด้วยความเป็นไปแห่งผลด้วยคำว่าเอากตังความเป็นอันเดียวกันคือความไม่แตกแยกกันคำว่านานตังความต่างกันคือความแตกแยกกันควาว่า นิรีหังความไม่เคลื่อนไหวความจริงต้องเป็นคำเดียวกับอัพยาปารังความไม่มีการขวนขวายไม่มีความพยายามคือไม่มีความขวนขวายคำ ว, ว่าธรรมตังก็คือธรรมดาเพราะฉะนั้นจะมีธรรมสิอย่างซึ่งเป็นไปในปฏิจจุบาทก็คือเอกัตนานความเป็นอันเดียวกันนา น, นานาตนัในความต่างกันอพยปารังอัพยาปารใน ก็ความไม่มีการขวนขวายแล้วก็ธรรมตาในก็โดยความเป็นธรรมดาก็คือสภาวะในโลกด้วยคํานี้เป็นอ่านท่านพระพุทธรกิตาอาจารย์ได้แสดงนยะสี่ก็คือเอกัตนยัยในมีความเป็นอันเดียวกันนานัตนยัยในมีความต่างกันอภยาปราระในในไม่มีการขวนขวายเอวังธรรมตาในในมีความเป็นธรรมดาอย่างนี้ พระพุทธรักษิตาอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าเทวดามนุษย์และพรหมทั้งหลายไม่ยังในสี่ประการนั้นให้กำเริบแล้วย่อมไม่สามารถเพื่อจะทราบความเป็นไปแห่งนามธรรมารูปธรรมทั้งหลายที่เป็นไปด้วยอำนาจการที่กรรมกับผลสัมพันธ์กันด้วยเหตุนี้ดังนี้จึงกล่าวว่าวิญยติสันตานะคะเนนะ น, นะโตเพราะปิดบังด้วยวินัต ความสืบต่อและความเป็นกลุ่มก้อนคือปิดบังด้วยวิญญาตอย่างหนึ่งปิดบังด้วยสันตติอย่างหนึ่งแล้วก็ปิดบังด้วยคณะอย่างหนึ่งในบทนั้นคําว่าวิญยาติหมายถึงการเคลื่อนไหวกายการเคลื่อนไหวกายและวาจาก็คือกายวิญญาตและวิจิวิญญาตคําว่าสันตานังความสืบต่อหมายถึงอาการที่ผูกพันสืบต่อกันไปคําว่าคณงคือเป็นกลุ่มก้อนหมายถึงภาวะที่รวมกันอยู่ คือภาวะที่ไม่อาจจะ ก, การะทำการแยกตัวออกจากกันในข้อนั้นอัพยาปาระไนและเอวังธรรมตาไนย่อมไม่ปรากฏเพราะปิดบังด้วยวิญญาตเอกตนไยไม่ปรากฏเพราะปิดบังด้วยความสืบต่อก็คือสันตตินานตนไยไม่ปรากฏเพราะปิดบังด้วยความเป็นกลุ่มก้อนนะในที่อื่นนี้เขาจะแสดงอย่างนี้นะไตรลักษณ์เนี่ย ก็คืออันนี้จัลักษณะไม่ปรากฏเพราะว่าถูกสันตติปิดบังไว้ทุกขลักษณะไม่ปรากฏเพราะว่าเอรียบทปิดบังไว้แล้วก็อนัตตลักษณะไม่ปรากฏเพราะว่าคณะปิดบังไว้นะเพราะฉะนั้นสําหรับอันนี้จัลักษณะนี้ถูกสันตติปิดบังไว้จึงไม่ปรากฏเหตุก็คือที่สายเหตุที่ถูกปกปิดไว้ก็คือไม่มานักสิการความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปนะ ไม่มนาสิการความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของนามธรรมรูปธรรมก็ได้ทําให้ถูกสันตตินั้นปิดบังอ น, นิจจาลักษณะส่วนทุกข์ลักษณะนั้นไม่ปรากฏเพระว่าถูกอิริบทเหมือนกับถูกอิริยาบด์ปิดบังไว้เหตุก็คือไม่มานาสิการถึงความถูกบีบคั้นหนึ่งเนืองเพราะฉะนั้นการที่จ ะ, ะเพิกอิริยบทก็โดยมนาสการถึงสังขารอันถูกบีบคัน้นเบียดเบีย น, ยนอยู่เป็นนิดด้วยความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งสังขาร อันเกิดแต่ปัจจัยก็คือกรรมจิตอุตตุอาหารเพราะฉะนั้นก็มนัสการนามธรรมรูปธรรมนั่นแหละโดยที่มันเกิดขึ้นและดับไปโดยใต่ใจถึงความถูกบีบคั้นโดยการที่ถูกทุกเบียดเบียนนั่นเองก็สามารถที่จะเพิกอิริเบทแล้วก็เห็นแจ้งทุกลักษณะได้ส่วนอนัตตะลักษณะนั้นไม่ปรากฏเพราะว่าคณะปิดบังไว้ความเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเหตุนเนี่ยก็คือไม่มนัสการคณะวินิโพคะความแยกธาตุเพราะฉะนั้นทัดใส่ใจโดยความเป็นธาตุ ก็จะทําให้ลักษณะของอนัตตาอนัตตลักษณะปรากฏนะแต่ว่าในที่นี้ท่านพุทธรกษิตาจารย์น้ทัณแสดงว่าเอกัตไนเนี่ยไม่ปรากฏเพราะว่าถูกสังสติปิดบังไว้เพรา ะ, ะนั้นเอกัตไนนี่ก็เป็นเหมือนกับอนิจจากักษณะนะส่วนนานัตไนไม่ปรากฏเพราะว่าคณะปิดบังไว้นานัตไนนี่ก็แสดงความเป็นอนัตตาส่วนอัพยาปารนัยและเอวังธรรมตาไนนี่ถูกวิญยัตปิดบังไว้เพรา ะ, ะนั้นวินยัตนั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดอิริยบท ก็ปิดบังอภิยาปาไนและก็เอวังธรรมตาไนเพราะฉะนั้นในยัดทั้งสีนี้ก็คือลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองงานเดียวกันบุคคลดำรงอยู่ในฐานะนี้แล้วจะต้องกล่าวอภิธรรมปิดกแม้ทั้งสิน้นพร้อมทั้งอัจกราแต่ไม่สามารถที่จะกล่าวนามรูปนั้นได้แม้เมื่อเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวเพียงแนวทางบางส่วนที่ชื่อว่าตรีระนีเป็นเพียงนามรูป ในนามรูปนั้นรูปเป็นอาธาระคือสิ่งที่รองรับนามเป็นอาทยะคือสิ่งที่จะต้องมีสิ่งอื่นรองรับตัวนามเป็นตัวที่จะต้องอาศัยที่รองรับนั้นเป็นอาเทยะแต่รูปเป็นอาธาระเป็นสิ่งที่รองรับรูปร่างกายนี้โดยเฉพาะหาดยวัตถุก็เป็นตัวรองรับเป็นที่เกิดของมโนวิญญาณภาษาทรูปห้าก็เป็นตัวรองรับเป็นที่เกิดของทุวิปัจจวิญญาณแล้วก็ร่างกายโครงสร้างของร่างกายนี้ก็ เป็นที่รองรับของนามธรรมนามธรรมเป็นอาถยะรูปธรรมเป็นอาธาระเปรียบเหมือนเม็ดมะม่วงเป็นอาธาระของหนอคือเป็นที่รองรับของหนอที่มีอยู่ในภายในมะม่วงสุกเปลือกหุ่มเมลเปลือกเปลือกพุ่มเม็ดมะม่วงเป็นอาธาระของเม็ดมะม่วงก็คือเป็นที่รองรับของเม็ดมะม่วงมะม่วงสุกเป็นอาธาระเป็นที่รองรับแห่งเปลือกพุ่มเม็ดมะม่วงนั้น และทั้งหมดนั้นชื่อว่ามะม่วงสุกเปลือกเป็นอาธาระแห่งมะม่วงสุกนั้นกิ่งเป็นอาธาระแห่งเปลือกลำต้นเป็นอาธาระแห่งกิง่งรากเป็นอาธาระเป็นที่รองรับหมายถึงเป็นปัจจัยนั่นเองแห่งลำต้นแผ่นดินก็เป็นอาธาระเป็นที่รองรับแห่งรากรถแห่งดินและน้ำรถแห่งดินและรถแห่งน้ำเป็นอาธาระแห่งดินขึ้นไปสู่ลำต้นตามแนวแห่งรากขึ้นไปสู่กิง่งตามแนวแห่งลำต้น ขึ้นไปสู่ขั้วตามแนวแห่งกิง่งไปจากขั้วถึงมะม่วงสุกแล้วก็หยุดในเรื่องนี้เม็ดมะม่วงเป็นปัจจัยที่ให้เกิดแห่งต้นไม้มีผลห้าหมวดก็คือรากลำต้นกิง่งเปลือกและผลรถแห่งดินและรถแห่งน้ำเป็นอุปนิสัยปัจจัยตัวเม็ดมะม่วงเนี่ยนะเป็นตัวที่เป็นปัจจัยโดยตรงให้เกิดต้นไม้นะซึ่งต้นไม้ก็ แจกก็เป็นห้าหมวดนะเมื่อมีต้นไม้ก็ต้องมีรากมีลำต้นมีกลิ่นมีเปลือกมีผลส่วนรถแห่งดินรถแห่งน้ำนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยช่วยอุปถรัรมภ์นี้เป็นอุปมาว่าด้วยต้นไม้ฉันใดในกองแห่งนามรูปคืออัตภาพนี้ก็ฉันนั้นที่ชื่อว่าผลโดยกำหนดอย่างสูงสุดได้แก่เวทนานะเวทนานี้เป็นผลที่สัตว์ทั้งปวงปรารถนานะเป็นรสชาติของวัตตะ ถ้าปราศจากเวทนาเสแล้วหรือมีเพียงทุกเวทนาเท่านั้นคงไม่มีตัดจาพวกใดที่จะปรารถนาการเกิดที่ยังปราถนาการเกิดหรือต้องการอารมณ์ก็คือเพื่อเสวยเวทนาที่เป็นสุขนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่ที่ชื่อว่าผลโดยกําหนดอย่างสูงสุดก็ได้แก่เวทนาภาษาเป็นอาธาระของเวทนาคือเป็นที่รองรับเป็นปัจจัยของเวทนานั้นเวทนาเป็นอาธยะ เป็นตัวที่อาศัยอาศัยภาษาเกิดขึ้นสลายตระนเป็นอาธาระแห่งภาษะก็คือเป็นตัวรองรับแห่งภาษาภาษาอาศัยสลายตระนเกิดนามรูปเป็นอาธาระแห่งสลายตนะเนักเป็นที่รองรับหรือว่าเป็นปัจจัยแก่สลายตนะหนักนามรูปเนี่ยวิญญาณเป็นอาธาระแห่งนามรูปวิญญาณก็เป็นที่รองรับหรือว่าเป็นปัจจัยแห่งนามรูป ผลห้าหมวดมีวิญญาณเป็นต้นก็คือวิญญาณนามรูปสราญตนะผัสสะและก็เวทนาชื่อว่าอัตภาพอย่างนี้ตกลงอัตภาพของเรานี่ส่วนขันห้าเนี่ยนะอัตภาพก็คือขันห้าเราก็ได้แก่วิญญาณนามรูปสาราญตนะผัสสะแล้วก็เวทนาอีกอย่างหนึ่งผัสสะเป็นอาัฐาระแห่งผลอันสูงสุดกล่าวคือเวทนา เวทนาเป็นอาทยะวิญญาณเป็นอาธระแห่งภาษะวิญญาณนี้ก็เป็นตัวรองรับแห่งภาษะนะตัวเวทนานี้ก็เป็นตัวอาศัยภาษาเหมือนกันภาษาก็เป็นอาธาระเป็นปัจจัยเป็นอาธาระที่รองรับของเวทนาหรือปัจจัยของเวทนาแต่ว่าวิญญาณก็เป็นอาธสาระเป็นที่รองรับของภาษาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ความประชุมการแห่งสิ่งสามประการก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณอาวอัทวารอารมณ์แล้วก็วิญญาณนั่นเองจึงมีผัสสะธรรมะสามประการประชุมกันก็เป็นผัสสะวัตถุหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอาธาระแห่งวิญญาณอายตนะภายในนี่แหละเป็นเป็นอาธาระแล้วก็เป็นตัววิญญาณด้วยนะเป็นเหตุของวิญญาณ แล้วก็ใจก็เป็นตัววิญญาณแต่ว่าใจก็เป็นอนัตตาปัจจัยแต่ใจแต่วิญญาณได้เหมือนกันภูตารูปเป็นอาธาระแห่งวัตถุหกวัตถุหกนี้ก็คือประสาท ร, รูปห้าหาดยัตวัตถุหนึ่งวัตถุหกนี้เขาเขียนผิดนะตาหูจมกูกเิ้นกายแล้วก็หาดีวัตถุไม่ใช่ใจนะก็เป็นหาดยวัตถุนะเพใจนั่นหมายถึงนวธรรม วัตถุหกนั้นก็มีมหาพูทธรูปนั่นแหละเป็นอาธาระเป็นที่รองรับเป็นปัจจัยวัตถุหกก็เป็นอาธทยะคือเป็นตัวอาศัยมหาพุตรูปเพราะฉะนั้นกรรมจึงเป็นปัจจัยที่ให้เกิดแห่งอัตภาพที่ดำรงอยู่โดยความเป็นอาธาระและอาเทยะเบื้องหลังของชีวิตของเราก็คือกรรมกรรมเป็นอยู่เบื้องหลังนะการกรรมก็เป็นปัจจัยที่สาคัญมาก เป็นตัวที่เป็นอาาระเป็นตัวรองรับและอาทยะที่ประมวลมาด้วยอาตวิญญาณเป็นต้นตัววิญญาณตัวผัสสะตัวเวทนาพวกนี้ก็เป็นอาทยะอาศัยกรรมเป็นต้นวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณผัสสะแล้วก็เวทนาหรือด้วยภูตารูปเป็นต้นอันเช่นกับต้นไม้ดุดเม็ด ที่เป็นปัจจัยที่ให้เกิดแห่งต้นไม้อวิชชาและตัญหาก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยดุดรถแห่งดินและรถแห่งน้ําเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งต้นไมนะ้เพราะฉะนั้นก็ขันห้าคือชีวิตของเราอ า, าถรรพของเรานี้ก็มีกรรมอยู่เบื้องหลังกรรมเป็นตัวอาธาระรองรับนะเหมือนกับเหมือนกับเม็ดพืชนะเหมือนกับเม็ดพืช ส่วนอวิชชาและตัณหานะนะั้นะ่ะก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยเหมือนกับรถแห่งดินรถแห่งน้ำนะทั้งกรรมทั้งอวิชชาทั้งตัณหาก็เป็นปัจจัยในอดีตหมดเลยนะแต่ว่าอาหารก็เป็นปัจจัยแก่รูปปัจจุบันผัสสะเป็นปัจจัยแต่เวทนาสัญญาทั้งขานนามรูปก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณในปัจจุบันนี้ด้วยข้ออุปมาอุปไมยสองข้อนี้เป็นอันแสดงความหมายสามประการคือ เป็นอันแสดงความหมายนี้ว่าสัตว์หรือบุคคลอื่นนอกจากผลห้าหมวดห้าหมวดก็ได้แก่อะไรได้แก่วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนานี้แหละเป็นชาติวิบากทั้งนั้นเลยนะซึ่งมีเวทนาเป็นประธานย่อมไม่มีตนหรือของของตนก็ไม่มีไม่มีนะอัตตาที่ไหนก็ไม่มีหรือว่าของที่เนื่องโดยอัตตาอัตตนิยะทั้งหลายก็ไม่มีอยู่ในขันห้าหรือว่าธรรมะบห้าคือ วิญญาณนามรปสรายตนะภาษาดาเวทนานี้เป็นอันแสดงความหมายนี้ว่าผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทาหรือใช้ให้กระทาอัตภาพอย่างนี้ย่อมไม่มีเมื่ออัตภาพกล่าวคือผลห้าหมวดในอดีตนั่นและสำเร็จแล้วอวิชชาและตันหาก็สำเร็จแล้วด้วยกรรมะปจจัยและอุปนิสสิยะัจัยตันหาวิชาก็สาเร็จนะแต่ว่ามีกรรมอป จ, จัยเป็นเบื้องหลัง ที่ทำให้เกิดวิบากห้าหมวดนี้ดุดต้นไม้เกิดขึ้นอีกได้ด้วยเม็ดในต้นไม้ในอดีตผู้กระทาหรือผู้จัดแจงนอกไปจากกรรมเป็นต้นย่อมไม่มีด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมกรรมกับตันหาวิชานี่ก็เป็นสหายกันนะตันหาก็บงการทำให้กรรมนั้นให้ผลเป็นวิบากเมื่อมีวิบากแล้ว เจ้าอัตภาพขันห้าหรือว่าธรรมหมวชห้ามีวิญญาณนำลูปสรยายยตนะ菩萨เวทนาเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยแก่ตัณหาต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่กบถ้าไม่กาหนดรู้วิบากไม่รู้ไม่กําหนดรู้วิบากไม่กําหนดรู้กรรมวชรูปก็จะเป็นปัจจัยแก่ตัณหาต่อไปตัณหาก็บงการทําให้กรรมนั้นทําการงาน ả? กรรมนั่นก็จัดแจงกรทนะทํานะก็จัดแจงทำให้เกิดวิบากต่อไปวิบากก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาต่อไปอีกตัณหาวิชาก็ครอบงําก็ทํากรรมต่อไปไม่มีวันที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นถ้าไม่กำหนดรู้ไม่ทาปริญญาในวิบากธรมชรูปหรือว่าขันห้านี้ก็สังสารวัตรก็อีกยาวนะเป็นอันแสดงความหมายแม้นี้ว่าชื่อว่าอัตตาอะไรที่เป็นผู้กระทาการไปการมาการเคี้ยวกินการกล่าวการโกรธเป็นต้นย่อมไม่มีทำคือนามรูปทำคือนามรูปเท่านั้น ที่ดำรงอยู่โดยวความเป็นอาธาระและอาทยะอย่างนี้ก็คือเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลเป็นตัวรองรับกับเป็นตัวอาศัยนั่นเองย่อมกระทาการเคลื่อนไหวนั้นนั้นรนทราบความว่างเปล่าและความเกิดขึ้นแห่งอัตภาพกล่าวคือกองแห่งนามรูปนี้และความเป็นไปโดยความเป็นอาธาระและอาทยะอย่างนี้แล้วบัดนี้พึงทราบกายวิญญาตและวจีวิญญาตล ะ, ะมาดูว่า ชีวิตความเป็นไปก็คือ น, นำมาทำรูปธรรมเหล่านี้ได้แก่ตัวอาธาระกับตัวอาทยะตัวที่เข้าไปอาศัยกับตัวที่เป็นที่รองรับแต่ว่าเจ้าวิ ญ, ญยัสนมีผลอย่างไรมีผลต่ออัตภาพนี้อย่างไรเรือเป็นอาธาระของในเรือทั้งหลายผู้เดินทางไปในมหาสมุทรนายเรือเป็นอาทยะคือเป็นตัวอาศัยในเรื่องนั้นเรือย่อมเป็นไปโดยสมควรแก่ความปรารถนาของนายเรือ ในเรือก็ย่อมเดินทางโดยสมควรแก่เรือเรือแม้จะเป็นอาทาระเป็นที่รองรับเป็นตัวให้อาศัยก็จริงแต่ก็ไม่เป็นใหญ่นายเรือเท่านั้นเป็นใหญ่ย่อมจอดเรือไว้ในที่ ท, ที่ปรารถนาจะจอดย่อมเดินทางไปสู่ทิศที่ตนปรารถนาจะไปรูปกายเปรียบเหมือนเรือจิตเปรียบเหมือนนายเรือกายย่อมเดินไปย่อมหยุดยืนย่อมเคียวกินย่อมดื่มย่อมพูดจา ย่อมหัวเราะโดยสมควรแก่จิตเฉพาะข้อนิ้วมือเท่านั้นย่อมไว้ในขณะที่ปรารถนาจะให้ข้อนิ้วมือข้อหนึ่งไหวกายที่เหลือย่อมไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็รูปเหล่านี้ก็เป็นจิตตัชรูปเป็นไปตามอําอนาจของจิตแต่ว่าก็ต้องอาศัยกรรมมัชรูปอาศัยอุตตชรูปแล้วก็อาศัยอาหารชรูปเพื่อกูลซึ่งกันและกันจึงสามารถที่จะไปได้นะเหมือนกับกลุ่มไม้อ้อซึ่งอาศัยร่วมกันอยู่จึงสามารถที่จะ ทนแรงลมแรงน้ําได้แต่ถ้าเป็นไม้อ้อต้นเดียวเท่านั้นก็ไม่สามารถจะดํารงอยู่ได้รูปทั้งสี่มุททานนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าการเคลื่อนไหวไปมานี้อาศัยจิตตัชรูปอธาตุลมมาเป็นสําคัญในเรื่องนี้พระปรัชวทีอาจารย์ก็คืออาจารย์ที่เป็นฝ่ายอื่นเนี่ยกล่าวว่าตามคําของท่านนี้เมื่อท่านกล่าวว่ากายกล่าวคือประชุมแห่งส่วนสามสิบสองมีผมและขนเป็นต้น เป็นอวัยวะชักช้าคือเกิดดับช้าทํากิจเองไม่ได้นะเกิดดับช้านะอวัยวะก็คื อ, อรูปธรรมนี้มีอายุเท่ากับสิบเจ็ดขณะจิตวิญญาณเท่านั้นย่อมยังกายให้กระทํากิจนั้นๆวิญญาณเรียกว่าอัตตาใช่ไหอพระปรัวญาทีอาจารย์ก็บอกว่าวิญญาณนั่นเป็นอัตตาเป็นตัวตน พระสกอาทีอาจารย์กล่าวตอบว่าสกาวาทีนี่หมายถึงว่ามีวาทะเป็นฝ่ายของตนเองฝ่ายพระพุทธเจ้านะวิญญาณมิได้ยังกายให้กระทำกิจนั้นๆอย่างนั้นเลยและนั่นไม่ใช่อัตตาวิญญาณย่อมกระทำกิจให้พร้อมเสร็จตามเจตนาอนนันเป็นไปนตามเจตนานะวิญญาณก็ไม่ได้เป็นใหญ่เฉพาะตนหลอกแต่ขึ้นอยู่กับเจตนานี่ยแหละเจตนาเป็นปัจจัยความตั้งใจจะทำพระประวัทีอาจารย์ก็กล่าวอีกว่า ถ้าเช่นนั้นเจตนาก็เป็นอัตาน่ะสิพระสกาวทีอาจารย์กล่าวตอบว่าแม้เจตนาก็ไม่เป็นอัตตาเพราะเจตนาถูกมนุิการจัดแจงให้จึงกระทำการเคลื่อนไหวต้องมีการกระทำไว้ในใจด้วยนะเมื่อมีการกระทำไว้ในใจเจตนาจึงจะตั้งใจได้วิญญาณจึงจะมีการคิดที่จะกระทำสิ่งต่างๆได้พระปรัวาทีอาจารย์ก็กล่าวอีกว่าถ้าเช่นนั้นมนุิยการก็เป็นอาัตาน่ะสิ พระสกะวาวทีอาจารย์ก็กล่าวตอบว่าแม้มนัสิการก็ไม่ได้เป็นอาตามนัสิการแม้นั้นถูกฉันทะควบคุมจึงกระทาต้องมีความพอใจนะความพอใจในที่นี้ก็คือกรรมยาตาฉันทะความพอใจใคร่จะทำเกิดขึ้นจึงเป็นปัจใจทาให้มนัสิการนั้นกระทาไว้ในใจเจตนาจึงตั้งใจจิตจึงคิดที่จะทา พระปรวาทีอาจารย์ก็กล่าวอีกว่าถ้าเช่นนั้นฉันทะก็เป็นอัตตาลสิพระสกะวาทีอาจารย์ก็กล่าวตอบว่าแม้ฉันทะก็ไม่เป็นอัตตาฉันทะแม้นั้นถูกวิตกยกขึ้นจึงกระทําวิตกจะต้องยกกิจขึ้นสู่อารมณ์และยกสัมยุธทธธรรมขึ้นสู่อารมณ์ฉันทะจึงสามารถที่จะมีความต้องการมีความพอใจใกล้จะทําได้นักสการจึงใส่ใจได้แล้วก็ เจตนาจริงต <spr> ั้งใจได้นะพระประวาธีอาจารย์ก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นวิตกก็เป็นอตานะสิพระสกาวาธีอาจารย์ก็กล่าวตอบว่าแม้วิตกนั้นก็ไม่เป็นอตาวิตกแม้นั้นก็ถูกวิจารเขี่ยวติดตามก็คือเ้าคลออารมณ์จึงกระทำพระประวาธีอาจารย์ก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นวิจารก็เป็นอตานะสิพระกาวาธีอาจารย์ก็กล่าวตอบว่าแม้วิจารก็ไม่เป็นอต้า วิจารแม้นั้นถูกวิริยะอุปถรัรมจึงกระทำพระปรวาทีอาจารย์ก็กล่าวอีกว่าถ้าเช่นนั้นวิริยะก็เป็นอตาน่ะสิพระสกะวาทีอาจารย์ก็กล่าวตอบว่าแม้วิริยะนั้นก็ไม่เป็นอตา้าวิริยะแม้นั้นเข้าถึงความเป็นอารมณ์เดียวเพราะเอกตาจึงกระทำพระปรวาทีอาจารย์ก็กล่าวอีกว่าถ้าเช่นนั้นเอกต า, าก็เป็นอตาน่ะสิพระสกะวาทีก็กล่าวว่า เอกกตาแม้นั้นก็ไม่เป็นอัตาเอากกตาแม้นั้นถูกชีวิตหล่อเลี้ยงคือชีวิตตินซีนั่นแหละหล่อเลี้ยงเอาไว้จึงสามารถที่จะกระทํากิจได้แม้ปรัวัตถีอาจารย์ก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นชีวิตก็เป็นอาตานาซีพระสกาวัตถีอาจารย์กล่าวตอบว่าแม้ชีวิตก็ไม่เป็นอัตาชีวิตแม้นั้นถูกพัฒะกระทบจึงกระทําถูกพัฒะสัมผัสกับอารมณ์แล้วจึงกระทํากิจการงานได้ พระปรัชวะทีอาจารย์ก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นผัสสะก็เป็นอัตานะสิพระสกาวทีอาจารย์ก็กล่าวตอบว่าแม้ผัสสะก็ไม่เป็นอัตตาผัสสะนั้นย่อมกระทําอะไรอะไรผัสสะแม้นั้นอันเวทนาสวยอารมณ์แล้วจึงกระทำํำนเะวทนาก็รู้สึกในอารมณ์นะผัสสะจึงกระทบอารมณ์ นะความจริงแล้วภาษากระทบอารมณ์จึงทําให้เวทนาเกิดภาษาเป็นปัจจัยเกิเวทนาแต่ความจริงก็อีกเหมือนกันก็คือทั้งหมดเจรสิกทั้งหมดเป็นสหชาติตัจัยซึ่งกันและกันเป็นสหชาตธรรมเกิดพร้อมกันนะเพราฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะกล่าวอะไรขึ้ น, นก่อนแต่วความจริงแล้วเกิดพร้อมกันทั้งหมดพระวารีก็กล่าวอีกว่าถ้าเช่นนั้นเวทนาก็เป็นอาตานาซีพระสกาวาทีอาจารย์กล่าวว่าแม้เวทนานั้นก็ไม่เป็นอัตตา และเวทนานั้นไม่สามารถยังการเคลื่อนไหวให้เกิดได้เวทนาแม้นั้นอันสัญญาให้เกิดจึงกระทําต้องจําก่อนนะเวทนาจึงรู้สึกแต่ว่าโดยประมาทก็รพร้อมกันนะพระปรัาวะที่อาจารย์กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นสัญญาก็เป็นอัตานะ่ะสิพระสกาวาที่อาจารย์กล่าวว่าแม้สัญญาก็ไม่เป็นอัตตาและสัญญานั้นไม่สามารถจะยังการเคลื่อนไหวให้เกิดได้ สัญญาแม้นั้นอันวิญญาณน่นแหละรู้แจ้งแล้วจึงกระทําตกลงกันมาถึงต้นอันเดิมก็คือวิญญาณนั่นแหละเป็นตัวที่รู้แจ้งอารมณ์จึงกระทํากิจการงานพ ร, ระปรัสวัตถอาจารย์กล่าวว่าท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าท่านผู้เจริญวิญญาณย่อมกระทําการเคลื่อนไหวกายและวาจาหรือวิญญาณเป็นอัตตาหรือก็กล่าวว่าวิญญาณแลมิได้กระทําวิญญาณไม่เป็นอัตตาถูกข้าพเจ้าถามว่าถ้าเช่นนั้นเจตนามนสิการฉันทะ วิตกวิจารวิริยะเอกะกะตาชีวิตินทร์สีผัสสะเวทนาก็กระทําถ้าเช่นนั้นสัญญาย่อมกระทําสัญญาเป็นอัตตาหนาสิย่อมกล่าวว่าแม้สัญญาอานวิญญาณรู้แจ้งแล้วจึงกระทําเป็นอย่างไรกันแน่นะปัตตะวาทีอาจารย์ก็สงสัยล่ะก็ไม่เข้าใจะนะไปยึดถือในความเป็นอัตตาเข้าก็ทําความเข้าใจไม่ได้พระสกะวาทีอาจารย์กล่าวว่า ท่านเอาเรื่องอื่นมากบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งดุดบุคคลหมุนลอ้อใครเป็นอัตตาของท่านใครกระทากายกรรมวิจีกรรมท่านสแสวงหาอัตตาเท่านั้นหรือจะไปหาทําไมอัตตามันไม่มีมีแต่ธรรมะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยจะเที่ยวไปหาอัตตาก็หาไปเรื่อยไม่สิ้นสุดนั่นแหละพระปรัชวะทีอาจารย์กล่าวว่าท่านผู้เจริญเป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าไม่สแสวงหาอัตตาของตนแล้วจะไปสแสวงห า, าตาอื่นเรา ไม่สแสวงหาอัตตาของตนแล้วจะไปสแสวงหาอัตตาอะไรอื่นละ่ะก็ลัทธิสแสวงหาอัตตานะพระสกาวทีอาจารย์กล่าวว่าถ้าท่านปรารถนาอัตตาแน่แท้แล้วก็ท่านก็จะสแสวงหาอัตตาไปเถอะท่านก็จงสแสวงหาอัตตาไปเถอะท่านจงถือมีดและขวานเข้าป่าไปสแสวงหาเถิดอะไรอะไรที่ชื่อาอาัตตาในร่างกายนี้ย่อมไม่มีถ้าจะหาก็ไปหาในป่ารุ่นไป เพราะว่าในอัตภาพในร่างกายนี้ไม่มีอัตตาอยู่หรอกเมื่อพระสกะวทีอาจารย์กล่าวอย่างนี้พระประวทีอาจารย์กล่าวว่าอัตตาเป็นผู้กระทาเป็นผู้รับผลเป็นผู้แน่นอนเป็นผู้ยั่งยืนเป็นผู้เที่ยงแท้มีอยู่แน่นอนประโยชน์อะไรของท่านด้วยวิญญาณและเจตนาเป็นต้นอัตตาแลย่อมรู้ย่อมคิดย่อมใส่ใจย่อมยึดถือย่อมตรึกย่อมวิจาร ย่อมอุตสาหะย่อมตั้งใจย่อมรักษาย่อมสัมผัสและย่อมเสวยอารมย์ย่อมจำได้ย่อมรู้ชัดย่อมรู้รอบด้านย่อมเดินย่อมยืนย่อมกล่าวย่อมหัวเราะย่อมเขียวกินย่อมดื่มอัตตาเท่านั้นเป็นผู้กระทากิจทั้งปวงอันนี้ก็เป็นอัตตาวาทะเป็นอัตตาวาทีนะพวกทิชชาทิฏฐิเพราะนั้นก็อย่าไปถือเอาอย่างนี้นะใมสามารถจะอบรมสมถะอิปัสสนได้ละ พระสกะว่าทีอาจารย์กล่าวว่าถ้าอัตตาของท่านเป็นผู้สามารถในกิจทั้งปวงบางคราวเป็นพระราชาบางคราวเป็นทาสบางคราวมีสุขบางคราวมีทุกข์ได้รับการทุบตีการเบียดเบียนการฆ่าการจองจําบางคราวมีโรคบางคราวไร้โรคบางคราวมีทรัพย์บางคราวรก็ไม่มีทรัพย์เพราะเหตุไรอัตตานั้นจึงดําเนินไปผิดอย่างนี้ถ้าอัตตาจะพึงเป็นผู้กระทํากิจทุกอย่างให้แก่ทัตทั้งปวง สัตว์ทั้งปวงก็จะพึงเสมอกันเพราะมีอัตราเสมอกันในโลกนี้มีผู้นําคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นทาารับใช้ของผู้นํานั้นถูกขู่ด้วยท่อนไม้ถูกขู่ให้กลัวจึงกระทําสิ่งที่นายต้องการข้อนั้นเพราะเหตุใดทําไมถ้ามีอาตาัอาตราอัตราทําไมมันไม่ให้เสมอกันละ่ะหรือว่าทํามีพระเจ้าพระเจ้าทําไมมีดลบรรดาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันทําไมมีความแตกต่างกันทําไมเพราะเหตุผลอะไร เมื่อพระสกาวาทีอาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้วพระประวาทีอาจารย์จึงกล่าวว่ากายกล่าวคือประชุมแห่งวิญญาณและเจตนาเป็นต้นของท่านไม่ประทำตามที่ปรารถนาหรื อ, อทําตามใจไม่ได้หรือเมื่อพระประวาทีอาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้วพระสกาวาทีอาจารย์กล่าวว่าอะไรเหมือนอัตตาของท่านอะไรที่ว่าท่านว่าเนี่ยมันเป็นอัตตาเนี่ยอะไรเป็นอัตตาจริง แม้พวกเราได้กล่าวว่ากายกล่าวคือประชุมแห่งวิญญาณและเจตนาเป็นต้นของพวกเราเป็นสิ่งแน่นอนยั่งยืนเที่ยงแท้หรือกายนั้นย่อมกระทําหรือกายนั้นย่อมสวยอารมณ์หรือภาัษะาและเวทนาเป็นต้นชื่อว่าธรรมเพราะทรงไว้เพียงสภาวะย่อมไม่ได้ววหารว่าอัตตาเป็นต้นไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้แตกสลายไปดุจเปลวประทีป แตกดับไปทุกขณะไม่มีอัตตาจริงๆหรอกเป็นเพียงวัหานเท่านั้นเองที่เรียกกันว่าอัตตาอัตาก็เป็นเพียงวัวหานาไม่ได้สภาวะจริงๆในเมื่อมีความประชุมเหตุของตนย่อมเกิดขึ้นเมื่อเหตุพินาศไปก็ย่อมพินาศเมื่อมีความประชุมคือเมื่อมีหมู่แห่งวิญญาณและเจตนาเป็นต้นเห็นปานนี้นั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงยกวูหานว่าอัตตาเป็นต้นขึ้นใช้ เพื่อจะกล่าวได้สะดวกเปรียบเหมือนในโลกเมื่อมีความประชุมพร้อมแห่งก ร, รมกงดุมทูปเวียนเป็นต้นชาวโลกจึงบัญญัติคำเรียกว่ารถได้ฉันใดเมื่อมีองค์ประชุมแห่งวิญญาณและเจตนาเป็นต้นบัณฑิตจึงบัญญัติคำเรียกว่าอัตาได้ฉันนั้นแต่ว่าโดยประมาที่ชื่อว่าอัตาผู้เขียวกินดื่มเดินกล่าวใครๆย่อมไม่มี นี้เป็นเพียงนามรูปอันเป็นอาธาระกับอาทยักษเป็นตัวรองรับ ก, กับเป็นตัวที่เข้าไปอาศัยโดยในที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นในานามรูปนั้นรูปเชื่องช้าย่อมไม่รู้อะไรอะไรรูปนี้เกิดดับช้ากว่านามธรรมาแล้วก็ไม่สามารถจะรู้อารมณ์ได้ไม่มีความเพียรพยายามไม่ทากิจอะไรอะไรให้สาเร็จเป็นเช่นกับยนต์ที่ทาด้วยไม้ เจตนาที่วิญญาณเป็นต้นตามประกอบแล้วดึงเชือกยนต์ที่อยู่ภายในร่างกายย่อมกระทํากิจเป็นต้นว่าขับเคลื่อนรูปกายยืนอยู่ดุจบุคคลขับดุจบุคคลขับเคลื่อนยนต์เทานั้นดุจบุคคลขับเคลื่อนยนต์ก็คือรถยนต์หรือว่าเครื่องยนตต่างๆเลยนะ พระปรารภทีอาจารย์กล่าวอีกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเจตนานั่นเองย่อมกระทั่งเกิดทุกอย่างาเจตนาเป็นตัวกรารงนี่เป็นตัวบงการที่าะนั้นตัวเจตนาเนี่ยแหละจะเป็นอัตตาพระสกะท า, าพระสกะวาทีสกวาทีอาจารย์ก็กล่าวว่าท่านเป็นคนหูหนวกหรืออแสดงว่าพระสกะวาทีนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะอ่ติเทียนหรือว่าปรับปรวาทะเก่งเหมือนกันนะท่านเป็นคนหูหนวกหรือ เราได้กล่าวแล้วไม่ใช่หรือว่าเจตนาถูกวิญญาณเป็นต้นคอยกำกับเปรียบเหมือนเกวียนติดแอกห้าห้าอันเกวียนติดแอกห้าอันต้องใช้โคถึงสิบตัวล่าไปบุรุษคนหนึ่งผูกเชือกที่แอกเกวียนตามลำดับแล้วก็เทียมโคทั้งหลายขึ้นนั่งบนหัวเกวียนใช้ประตักตีโคที่แอกอันแรกขับเกวียนไปโคเหล่านั้นพึงนำแอกเท่านั้นไปไม่พึงนำเกวียนไป ไม่อาจจะให้ขยับไปข้างนี้หรือข้างนั้นบุรุษนั้นปล่อยโคคู่แรกไปแล้วก็ตีโคที่แอกอันที่สองโคแม้เหล่านั้นก็พึงนำแอกเท่านั้นไปโคทั้งหลายแม้ที่แอกอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าก็พึงนำแอกเท่านั้นไปอย่างนั้นไม่พึงนำเกวียนไปทั้งไม่อาจจะให้ขยับไปข้างนี้หรือข้างนั้นแต่เมื่อบุรุษนั้นให้สัญญาเตือนโคทุกตัวตีที่หลังตะโกนเสียงดัง ให้โคทั้งหลายพยายามโคทุกตัวก็พร้อมใจกันรวมพลังกันล่าพึงนำเกวียนไปยังสถานที่ที่เจ้านายปรารถนาได้นี้เป็นข้ออุปมาด้วยเกวียนในเรื่องอุปมาด้วยเกวียนนั้นมีอธิบายว่ารูปกายเป็นดดเกวียนเจตนาเป็นดดผู้นำผู้ขึ้นนั่งบนเกวียนนั้นก็คือในตาลถีนั่นเองทำสิบประการนี้ก็คือวิญญาณที่สาธารณแก่ชวนจิตทั้งสิน้น มนัสิการฉันทะวิตกวิจารวิริยะชีวิตปัตตะเวทนาธัญญาดุดโคติดตัวเจตนาที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเป็นเชือกผูกทำรรสิระการนั้นมัดไว้ที่แอคืออารมณ์ตนเองก็อุตสาหะอยู่ทั้งยังอุตสาหะให้เกิดแก่ทำรรสิระการนั้นแม้ทั้งหมดอันวิญญาณเป็นต้นซึ่งกระทำหน้าที่กาหนดรู้เป็นต้น ประคองแล้วรวมกับวิญญาณเป็นต้นนั้นย่อมให้รูปกายทรงอยู่ย่อมให้รูปกายกระด้างย่อมให้รูปกายเคลื่อนไหวเจตนานั้นแหละอันทำ ม, มีประมาณเท่านั้นอนุเคราะห์แล้วเกิดขึ้นครั้งเดียวในอารมณ์นั้นย่อมไม่สามารถจะกระทําเกิดขึ้นเจ็ดครั้งด้วยอํานาจโชนะในอาวชนะวิถีหนึ่งได้อาเสวนะจากธรรมข้อตนต้นกับธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมสามารถให้เคลื่อนไหว ย่อมกระทําการเคลื่อนไหวกายและการเคลื่อนไหววาจาต้องอาศัยโชนะเจ็ดขณะสิ้นไปแล้วนะจึงสามารถ ja. ที่จะทําการเคลื่อนไหวได้แม้วิญยัตจะเกิดพร้อมดับเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตก็ตามแต่ว่าการเคลื่อนไหวกายจะต้องสิ้นไปแล้วเจ็ดโชนนะโชนเจ็ดครั้งสิ้นไปจึงสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ก็วิการแห่งลมที่เกิดจากจิตซึ่งให้เกิดการก้าวเดินไปต้นเป็นเหตุแห่งการเคลื่อนไหวกายและ ความเคร่งตึงแห่งรูปเป็นต้นวิการแห่งพื้นฐานที่เกิดจากจิตที่กระทําการเปล่งวาจาเป็นเหตุแห่งการเคลื่อนไหววาจาและแห่งการยึดถือการกระทบนี่คือวิญญาตนะกายยันยัดกับว่าชีวิญญาตทําให้มีการเคลื่อนกายไหวกายแล้วก็ไหววาจาพระประวัตีอาจารย์กล่าวว่าก็ทำสิบสองประการมีวิญ ญ, ญาณเจตนาเป็นต้นนี้ ตรงกระทำกิจอย่างนี้เธอทำเหล่านั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะก็ยังถามอีกนะเอ๊ะทำเหล่านี้มันเที่ยงหรือรเปล่าเดือหรือไม่เที่ยงพระสกะวาทีอาจารย์ตอบว่าทำเหล่านั้นไม่เที่ยงนะนี่เป็นเอ error, กังเอเอกังสักยยากรนนะตอบไปส่วนเดียวถามว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงจะตอบว่าไม่เที่ยงถ้าประวาทีอาจารย์ถามว่าทำเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้นพระสกะวาทีอาจารย์ก็ตอบว่า ทำเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วพระประรวาทีอาจารย์ถามว่าทำเหล่า น, านั้นยังทำเหล่าไหนาให้เกิดขึ้นพระสกาวาทีอาจารย์ก็ตอบว่าทำเหล่า น, านั้นนั่นแหละข้อตน้นตะ้นนะก็ยังทำเหล่านั้นนั่นแหละข้อตน้นต้นให้เกิดขึ้นพระประรวาทีอาจารย์ก็ถามว่าทำเหล่านั้นนั่นแหละยังทำเหล่านั้นให้เกิดขึ้นหรือพระสกาวาทีอาจารย์ก็ตอบอีกว่า ท่านผู้เจริญท่านไม่รู้จักความเป็นไปแห่งโลกหรือข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วไม่ใช่หรือว่าเม็ดมะม่วงย่อมเกิดขึ้นจากเม็ดมะม่วงย่อมไม่เกิดขึ้นจากเม็ดสะดาดังนี้เป็นต้นทำทั้งหลายข้อต้นที่ดับไปอย่างนี้ย่อมเป็นปัจจัยหกประการก็คืออนันตระปัจจัยหมายถึงดับไปไม่มีระหว่างขั้นทําให้จิตเจริญติดลงใหม่เกิดขึ้นทันทีสมนันตระปัจจัยหมายถึงดับไปไม่มีระหว่างขั้นทําให้จิตเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีระหงขั้นดดี นัตถิปั จ, จัยหมายถึงจิตเจสิทธิ์ดวงเก่าดับไปแล้วต้องไม่มีแล้วจึงทําให้จิตเจสิทธิดวงใหม่เกิดขึ้นวิคตาปัจัยหมายถึงจิง upstairs, ตเจสิทธิวงเก่าต้องปราบไปแล้วจึงเป็นปัจัยทำให้จิต ด, ดวงใหม่เกิดขึ้นอะนันตรูปนิสยปัจจัยหมายถึงจิตเจสิทที่ดับไปไม่มีระหว่างขั้นเป็นอุปนิสยปัจจัย ани, เป็นที่อาศัยที่มีกําลังลอนันตรูปานิสยปัจัยเนี่ยดับไปไม่มีระหว่างขั้นเป็นที่อาศัยที่มีกําลังทําให้จิตเจ๊ จิตเจสิกวงใหม่เกิดขึ้นไม่มีระหว่างขั้นนะแล้วก็อาเสวนาปัจจัยเป็นการเสดทั่วในโชนะปัจจัยหกอย่างนี้แล้วก็ธรรมะที่ดับไปแล้วเนี่ยย่อมเป็นปัจจัยหกอย่างนี้แก่ทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นข้อต่อมาก็คือจิตเจสิกที่เกิดในลําดับมานั่นเองอารมณ์ย่อมเป็นปัจจัยสี่ประการนะก็คือเป็นปัจจัยโดยอารมณปัจจัย โดยอารามณะปุเรชาตปัจจัยอย่างหนึ่งอารามณปัจจัยหมายถึงว่าเป็นที่ยึดหน่ยวของจิตจิตต้องรู้อารมณ์นะเพนั้นต้องมีตัวอารมณ์เป็นปัจจัยโดยอารามณปัจจัยอย่างหนึ่งแล้วก็อารามณภปุเรชาตปัจจัยหมายถึงอารมณ์นั้นอ่ะเป็นรูปธรรมที่เกิดก่อนเป็นรูปธรรมที่เกิดก่อนนะแล้วก็เป็นอารมณ์ด้วยอารามณะปุเรชาตทิปปจัยหมายถึงเป็นรูปที่เป็นอารมณ์ที่เกิดก่อนแล้วก็ยังมีอยู่ด้วย อารามณนะเปรชาตาวิกตะปัจจัยก็หมายถึงอารมณ์นั้นจะต้องเป็นรูปที่เกิดก่อนแล้วก็ยังไม่ปราศจากไปด้วยเป็นปัจจัยโดยสี่ปัจจัยนี้นะแสดงว่าจะต้องเป็นสภาวะรูปที่มีอยู่ในขณะปัจจุบันนั้นก็คืออิทอินิพพานรูปสิบแปดนั่นเองวัตถุที่เกิดของจิตเนี่ยย่อมเป็นปัจจัยห้าประการก็คือวัตถุปเรชาตปัจจัยเป็นที่เกิดด้วยแล้วก็เกิดก่อนด้วย วัตถุเปรียชาตานิทยปัจจัยเป็นที่เกิดด้วยเกิดก่อนแล้วก็เป็นที่อาศัยด้วยวัตถุเปรียชาตาวิปยุตตปัจจัยเป็นที่เกิดเกิดก่อนแล้วก็เป็นวิปยุตเพราะว่าหาดยัตถุนั้นเป็นรูปส่วนจิตนั้นเป็นนามต้องเป็นวิปยุตต่อกันแล้วก็วัตถุเปรียชาตถิปัจจัยก็หมายถึงเป็นที่เกิดเกิดก่อนแล้วก็ยังมีอยู่ด้วยวัตถุเปรียชาตาวิปตปัจจัยก็หมายถึงเป็นวัตถุที่เกิดแล้วก็ยังไม่ปราศจากไปเกิดก่อนเนี่นะ เป็นวัตถุที่เกิดเกิดก่อนแล้วก็ยังไม่ปราศจากไปเพราะฉะนั้นวัตถุรูปก็คือหปฏิยารูปนั้นเป็นปันจจัยโดยห้าปัจจัยอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นพวกทวิปัญจาวิว ญ, ญญาณติดอาศัยภาษาทรูปภาก็เป็นโดยวัตถุกุเ ร, ช า, ราชาติชาติหกปัจจัยเลยก็เพิ่มวัตถุกุเรชาตินริยาปัจจัยเป็นวัตถุรูปที่เกิดเกิดก่อนแล้วก็เป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ด้วยในการเห็นได้ยินได้กลิ่นและถูกต้องสัมผัสที่ชื่อว่าปัจจัยภาวะคือภาวะ ที่มีในภาวะนั้นปัจจยภาวะหรือว่าตบภาวะนะภาวะที่มีในภาวะนั้นหรือว่าความเป็นปัจจัยนั่นเองจึงอยู่ทำข้อต้นย่อมไม่รู้ว่าพวกเราย่อมเป็นปัจจัยแก่ทำข้อต่อมาทำข้อต่อมาก็ไม่รู้ว่าพวกเราย่อมเกิดขึ้นจากทำข้อต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอพยาปาระใน นัยยะที่ไม่มีความพยายามต่อกันคือไม่ได้ตกลงกันไว้ต่างคนต่างก็ไม่ได้นัดแนะกันแต่ว่าสามารถที่จะเป็นปัจจัยต่อกันได้นะครับอาการคือภาวะได้แก่อาการคือความเกิดขึ้นแห่งผลซึ่งมีในภาวะแห่งเหตุข้อต้นนั้นได้แก่เพียงภาวะแห่งเหตุนั้นชื่อว่าตับภาวะภาวีภาวะตับภาวะภาวีภาวะก็คืออาการ ความเกิดขึ้นแห่งผลซึ่งมีในภาวะแห่งเหตุข้อต้อนนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือปฏิจจุบาทนั่นแหละความเป็นปัจจัยความมีภาวะแห่งปัจจัยนั้นนั้นข้อนี้แลเป็นธรรมดาเพื่อจะแสดงนงคยามนี้พระบูรพาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่ากฎนิยามที่พึงทราบมีห้าอย่างคืออุตุนิยามความกาหนดแน่นอนของอุตุอย่างหนึ่งพิชนิยามความกาหนดแน่นอนของพืชอย่างหนึ่ง กา ร, ร ม, มานิยามการกำหนดแน่นอนของกรรมอย่า ง, นงมมานนหนึ่งทำมนิยามกำหนดแน่นอนแห่งธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็จิตตนิยามกำหนดแน่นอนแห่ง จ, จิตนะจิตตนิยามนี้ก็คือจิตดวงสุดท้ายย่อมเกิดขึ้นจากจิตดวงแรกพระปรารภวีอาจารย์ถามว่าจิตดวงแรกเกิดขึข้นจากจิตดวงไหนพระกะวทีอาจารย์ตอบว่าจิตดวงแรกก็เกิดจากจิตดวงแรกแม้จากนั้นน่ะสิ จิตดวงแรกในชาตินี้ก็เกิดจากจิตก่อนหน้านั้นก็คือจุติแหละอจุติก็เกิดจากจิตก่อนจติจนกระทั่งถึงปฏิตธิในชาติก่อนนั่นแหละข้าพระวรวาทีอาจารย์ถามอีกว่าภายในแห่งจิตดวงแรกทั้งหลายย่อมไม่มีหรือมีภายในของจิตดวงแรกอีกหรือเปล่าพระสกาวาทีอาจารย์ตอบว่าภายในย่อมไม่มีอย่างนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วมิใช่หรือว่า อนาดิกาลาคตะนามรูปินังทาทั้งหลายที่มีนามรูปที่มาในการอันหาเบื้องต้นมิได้ทามิใช่น้อยเกิดขึ้นจากทามิใช่น้อยโดยภาวะที่มีในภาวะนั้ น, นก็คือเจ้าตับพาวีตับภาวะภาวีภาวะเลยนะดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าของแต่ละอย่าง มิใช่น้อยปรากฏจากของมิใช่น้อยหรือของมิใช่น้อยปรากฏจากของมิใช่น้อยของมิใช่น้อยย่อมปรากฏมีจากของมิใช่น้อยทั้งหลายแปลแล้วไม่เข้าใจนะเอะแปลใหม่ดีกว่าผลอย่างเดียวเกิดจากเหตุอย่างเดียวก็หาไม่ผลหลายอย่างเกิดจากเหตุอย่างเดียวก็ไม่ใช่ผลอย่างเดียวเกิดจากเหตุหลายอย่างก็หาไม่ แต่ว่าผลหลายอย่างย่อมเกิดจากเหตุหลายอย่างอันนี้จริงจะถูกต้องนะเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยธรรมะแต่ละยา่างแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเหตุอันเดียวหรอกแล้วเหตุต่างๆที่ทําให้ผลเกิดขึ้นผลก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเดียวนะเหมือนเช่นเอาเข้าเปลือกเนี่ยไปปลูกอ่าเข้าวเปลือกไม่ใช่เป็นเหตุอย่างเดียวหรอกมีข้าเปลือกด้วยต้องมีข้าวภายในต้องมีเปลือกแล้วก็ต้องมีตัวยางเหนียวในข้าวนะซึ่งเป็นเหตุ ต้องมีแกบต้องมีอะไรหลายอย่างเลยเมื่อเอาไปปลูกก็ต้องอาศัยพื้นนาพื้นดินน้ํานะอากาศต่างๆอันนี้เป็นเหตุหมดเลยเป็นเหตุหมดเลยนะแต่พอผลออกมาก็กลายเป็นอะไรนะก็กลายเป็นอต้นข้าวอ่น อ, อนนะเมื่อเป็นต้นข้าวอ่น อ, อนแล้วก็กลายเป็นต้นข้าวแก่ขึ้นนะแล้วก็ออกรวงมานะมีทั้งต้นข้าวมีทั้งรวงมีทั้งข้าวเปลือกนะออกมานะ ตกแล้วก็เป็นเข้าเปลือกออกมาแล้วก็ที่เหลือก็เป็นฟางต้นข้าวก็กลายเป็นฟางไปเพราะนั้นก็มีผลิตผลต้องหลายอย่างทั้งแกลทั้งรำนะทั้งข้าวแดงอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเหตุหลายอย่างทำให้เกิดผลหลายอย่างเท่านั้นนะแต่าบางครั้งอย่างเช่นปฏิจจบาตุจเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงเหตุเดียวและผลเดียวก็เพื่อประโยชน์ในการที่จะศึกษาในการที่จะแสดงนั่นเองเพื่อการที่จะเข้าไปทําความเข้าใจในการที่จะ รอบรู้แล้วก็ปฏิบัตินั่นเองแต่ความในจริงก็คือมีเหตุหลายอย่างมีผลหลายอย่างก็ความเกิดขึ้นแห่งทำทั้งหลายนั้นมีอาการไม่ใช่น้อยด้วยอํานาจแห่งการประเทศหตูอาหารบุคคลด้วยอํานาจแห่งบาปมีตัณหาและอวิชชาเป็นต้นและด้วยอํานาจแห่งกุศลมีศรัทธาและปัญญาเป็นต้นเพราะทำทั้งหลายเกิดขึ้นโดยอาการไม่ใช่น้อยเพราะวิญยัตทั้งหลายเกิดขึ้นโดยอาการไม่ใช่น้อย พราะกายกรรมและวจีกรรมทั้งหลายเกิดขึ้นโดยอาการมิใช่น้อยด้วยอำนาจมีโทษและไม่มีโทษเพราะมะโนกรรมที่ยังไม่ถึงวินาศเกิดขึ้นโดยอาการมิใช่น้อยสัตว์ทั้งหลายที่บังเกิดด้วยกรรมบางพวกจึงมีสุขบางพวกจึงมีทุกข์บางพวกมั่งข้างบางพวกขัดสนบางพวกเป็นใหญ่บางพวกก็เป็นผู้น้อยความที่โลกวิ จ, จิตมีมิใช่น้อยเป็นอันสาเร็จความว่า จริงอย่างนั้นบุคคลนั้นในการบางคราวเป็นยายในการบางคราวเป็นทาตในการบางคราวเป็นพระราชาในการบางคราวก็เป็นจันทานในการบางคราวก็เป็นเทวดาในการบางคราวก็เป็นสัตว์นรกในการบางคราวเป็นผู้มีโรคในการบางคราวเป็นผู้ไม่มีโรคในการบางคราวมีทรัพย์ในการบางคราวก็ไม่มีทรัพย์ก็การที่จะเห็นธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงนี้เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น บุคคลแม้เหล่าใดผู้มีปัญญาเสมอด้วยพระสารีบุตรบุคคลแม้นั้นบุคคลแม้เหล่านั้นได้ฟังแล้วจึงจะรู้โดยเอกเทศดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าก็ความรู้วิบากแห่งกรรมท่านแสดงว่าเป็นพุทธญาณบุคคลอื่นคือใครจะกําจัดความไม่รู้ของชนเหล่าอื่นนั้นได้ความที่แววแห่งนกยุง ความที่แววหางนกยูงงดงามเกิดแต่กรรมที่วิจิตบุคคลผู้เลิศในโลกนั้นแหละเป็นผู้รู้เรื่องนั้นๆตามเป็นจริงก็โลกิยะมหาชนทั้งหลายผู้ตกอยู่ในความยึดถืออัตตาปกปิดด้วยวินยัตสิ้นกาลนานไม่รู้ภาวะที่ไม่ขวนขวายก็คืออัพยาาราัยเนี่ยและความเป็นธรรมดาอย่างนั้นก็คือเอวังธรรมตาในที่ลึกซึ้งละเอียด ตามเป็นจริงเข้าไปสู่วิปะาะต่างๆแม้จะคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่สามารถจะรู้สภาวะธรรมได้แต่ตกอยู่ในความยึดถืออัตตาซ้ำแล้วซ้ำอีกความที่ทำทั้งหลายดับไปในขณะย่อมไม่ปรากฏเพราะปกปิดด้วยสัน ต, ติก็คือสัน ต, ตินั้นปิดบงังอนิจจงนะคือความสืบต่อโลกิยมหาชนเหล่านั้นไม่เห็นความดับ จึงยึดถือว่าเป็นของเที่ยงยั่งยืนเป็นตัวตนครั้นไม่ยึดถืออย่างนั้นก็ยึดถือการเกิดขึ้นผูกพันสืบต่อของสัตว์ทั้งหลายว่าย่อมเกิดขึ้นโดยสืบตืบการแห่งเหตุของกันและกันก็จิต ด, ดวงแรกๆเมื่อ ย, ยังจิต ด, ดวง ต, ต่อมาให้เกิดขึ้นในแต่ละขณะเกิดขึ้นในระหว่างไม่ขาดระยะไม่แสดงช่องว่าย่อมกระทําอารมณ์ให้ชัดเจนเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัตถกถาพระวินัยว่า เมื่อจิตดวงแรกยังไม่ดับจิตดวงต่อมาย่อมไม่เกิดขึ้นย่อมปรากฏดูดจิตดวงหนึ่งต่อจากที่เกิดขึ้นในขณะติดต่อกันจึงอยู่การที่จิตดับไปในขณะเบาอย่างยิ่งก็คือเร็วมากรวดเร็วมากเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนความดับสืบต่อก็คือการดับไปสืบต่อกันมีสันติเป็นวิสัยของพระสาวก นะก็คือเป็นการดับโดยสันติตเนี่นะโดยดับโดยขณะดับโดยสันส ต, ติเป็นวิสัยของภาษา voke ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าแม้พระสารีบุตรเถระก็มีอาจจะกระทําในวัฏสงายนาะสัญญายตนะให้เห็นแจ้งตามลําดับบทในอนุปราชสูตรนะก็แสดงสมบัติเจ็ดทั้งนั้นใ น, นวัญญายนาะสัญญายตนะท่านก็ไม่ได้แสดงนะเพราะว่าละเอียดอ่อนมาก เพราะมิใช่วิสัยแห่งความดับไปในขณะอย่างนี้อธิบายว่าส่วนปุตชนทั้งหลายผู้ตกอยู่ในทิฏฐิผู้ไม่ได้สดับยึดถือจิตต์ชนดานก็คือการสืบต่อของจิตโดยความเป็นอันเดียวกันแล้วยึดถือว่าเที่ยมแท้ไม่สามารถกระทำการแยกแยะคือวินิโพคะไม่สามารถทำการแยกส่วนประชุมแห่งธรรมมีปฐวีธาตุและภัตตะเป็นต้น ในสรีระเพราะปกปิดด้วยความเป็นก้อนคือคณะยึดถืออยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเป็นอัตตาแล้วเป็นผู้ตกไปในการยึดถืออัตตานั้นในบรรดาปุตชนผู้ตกไปในการยึดถืออัตตาอย่างนั้นปุตชนบางพวกสามารถที่จะเห็นความเกิดขึ้นในพบใหม่แล้วจึงเป็นผู้ตกไปในการยึดถือว่าเที่ยงแท้ กุตชนบางพวกเห็นความแก่และความตายของสัตว์ยึดถืออยู่ว่าสัตว์ตายแล้วก็เป็นอันตายแล้วแลก็คือเป็นสัตตะก็เป็นอุเฉทะนะถ้าคนที่เห็นความเกิดขึ้นให็นพบใหม่เนี่ยมีความเข้าใจว่าต้องมีการเกิดอีกก็จะยึดถือโดยความเป็นสัตตะแต่ว่าคนที่เห็นสัตว์ตายแล้วก็เป็นอันหมดไปแล้วก็จะยึดถือโดยความเป็นอุเฉทะสัตว์นั้นย่อมไม่เกิดไอพวกนี้เป็นอุเฉทะสัตว์อื่นนั่นเทียวย่อมเกิด จึงมีวาทะว่าขาดศูนเทวดาและพรหมทั้งหลายก็ดีสมณะบัณฑิตทั้งหลายก็ดีอันหาประมาณมิได้ในจักรวาลทั้งหลายอันหาประมาณมิได้อย่างนี้มาประชุมพร้อมกันปรึกษากันก็ยังไม่ทราบภาวะที่มีในภาวะนั้นก็คือตับาวิตับภาวะพาวีภวะเนี่ยปฏิจจุบาทเนี่ยนะก็เรียกว่าตับภาวะภาวีภาวะมาประชุมพร้อมกันศึกษากันด้วยนะก็ยังไม่ทราบ ภาวะที่มีในภาวะนั้นไม่เห็นในอันไม่มีความขวนขวายคืออัพยาตาไระ น, นะปฏิจจุบาาจะมีสี่ในนะอัพยาตาัยก่อนทิมต้แสดงเอกตนัยก่อนความที่เป็นต่างๆกันองค์แต่ละองค์เนี่ยของปฏิจจุบนาเนี่ยมันแตกแตก ต, ต่างกันโดยสภาวะาวิช า, ก, ก, าก็ลักษณะอย่างหนึง่งสังขารก็ลักษณะอย่างห น, นึ่งวิญญาณก็ลักษณะอย่างหนึ่งเนี่ยนะลักษณะคนละอย่างคนละอย่างกันอย่างนี้เรียกว่านานัตตาไร น, นะ ถ้าเอกัตนา이เนี่ยหมายถึงว่าอวิชชาเน่ยนะเป็นปัจจัยกับสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยกับ ว, วิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยกับนามรูปนี่นะเป็นการสืบต่อกันเป็นสัน ต, ติของขันห้าการสืบต่อกันเป็นเรื่องของบุคคลคนเดียวกันนะถ้าพูดโดยวาหานก็คือเป็นบุคคลคนเดียวกันเป็นขันถ้าปัญจกะนี้ไม่ใช่ขันถ้ปัญจกะอื่นเป็นการสืบต่อกำวิบากกิเลสของขันธปัญจิกานั้นๆเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเดียวกันอย่างนี้เรียกว่าเอกัตนาย แต่ถ้านานัตนาหมายถึงว่าอาวิชาก็อย่างหนึ่งสังขารข้อย่างหนึ่งคนละลักษณะกันคนละลักษณ ะ, ล ะ, ละกันไม่ใช่อย่างเดียวกันการพิจารณาเอกันตนายนี่นะก็เพื่อที่จะละอุเฉททิฏฐินะละอุเฉธทิฏฐิว่าไม่ใช่ตายแล้วถูนะมีการสืบต่อมีการให้ผลแต่ว่าการพิจารณาโดยานานัตนายก็เพื่อจะละสัสะตตธาทิฏฐินะอย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นเที่ยงแท้เป็นบุคคลคนเดียวกันโดยตลอดถาวรแต่ว่าความจริงแล้ว อาศัยปัจจัยทําให้เกิดขึ้นเป็นคนละลักษณะการอาวิชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปเหล่านี้นส่วนอัพยาปาระัยก็หมายถึงว่าสภาวะแต่ละอย่างที่เป็นปัจจัยกันนั้นเขาไม่ได้มีการขวนขวายไม่มีการที่ตกลงกันไว้ต่างคนต่างไม่ได้นัดแนะกันมาก่อนแต่ว่าสามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่กันได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอัพยาปาละายัยส่วนเอวังธรรมตาในาก็หมายถึงว่านัยะที่เป็นอย่างนี้อวิชชาไม่ต้องจําเป็นจะต้องเหมือนสังขารสังขารไม่จําเป็นจะต้องเหมือนวิญ ญ, ญาณ แต่สามารถที่จะให้ผลเป็นปัจจัยแก่สิ่งที่ไม่เหมือนกับต้นได้เหมือนกับนมสดนะก็กลายเป็นนมส้มนะนมส้มกับนมสดเปนคนละอย่างกันนะนะแต่ว่ามันก็มาจากมาจากกันได้นะเป็นปัจจัยก่กันได้นะนมสดไม่เปรี้ยว่นมส้มเปรี้ยวนะก็อย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมตานในเอวังธรรมตานในเพราะฉะนั้นเมื่อมาประชุมกันไม่ว่าจะเป็นใครในจักรวาลทั้งหลายเนี่ย เมื่อไม่เห็นในอันไม่มีความขวนขวายคืออัพยาปาระในและในอันเป็นธรรมดาอย่างนั้นคือเอวังธรรมตาในาแห่งธรรมทั้งหลายที่เป็นไปด้วยอํานาจความสัมพันธ์กันแห่งเหตุกับผลก็คือเป็นปฏิจจุบาทเนี่ยนะเพราะปกปิดด้วยวิญญาต์วิญญาต์เป็นตัวปกปิดอัพยาปาระในและเอวังธรรมตาในานะก็เท่ากับว่าวิญญาต์วิญญาต์เนี่ยหรือว่าอิริบทเนี่ยปิดบังปิดปิดบังทุกนันเอง ไม่เห็นความดับแห่งธรรมทั้งหลายเพราะปกปิดด้วยความสืบต่อก็คือสันตินั้นปิดบังอนิจจ์นะไม่เห็นความเกิดขึ้นไม่ขาดสายในแต่ละขณะและความสามัคคีแห่งธรรมไม่ใช่น้อยแห่งธรรมทั้งหลายเพราะปกปิดด้วยความเป็นก้อนขณะก็ปิดบังความเป็นอนัตตาเข้าถึงวิปัาสต่างๆไม่สามารถคือไม่อาจที่จะกล่าวคือที่จะแสดงทางที่มีความปลอดภัย คือทางแห่งพระนิพพานยกเว้นพระสมมาสามุทิจ้าเสียไม่มีใครสามารถที่จะมาแสดงหนทางที่ทําให้ดับทุกข์คือพระนิพพานได้การตัดขาดความสืบต่อความเป็นต่างๆและไม่มีความวขวนขวายนะตัดขาดความสืบต่อก็คือสันตินะแล้วก็ตัดขาดเจ้าอะไรนานัตตะยนนะตัดขาดเอ ก, กตะไยนานัตตะไนเนีนะ่ยแล้วก็อภยญาปาระัย ความกำหนดในกิจของตนและความเป็นอันเดียวเป็นต้นก็คือความเป็นเอกัตนาเนี่ยเป็นต้นตามลำดับบุคคลเมื่อพิจารณาโดยชอบย่อมละความยึดถือความเกิดขึ้นและกรรมวาระแต่เมื่อพิจารณาเห็นโดยประการอื่นย่อมยึดถือความเห็นว่าเที่ยงแท้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็การพิจารณาในยอดต่างๆเอกัตนาเนี่ยก็พิจารณาเพื่อจะละ เอกั Dante, ตไนัยนี่เพื่อที่จะละอุเฉททิฏฐิพิจารณาไม่ดีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันนัตไนเพื่อจะละสัสตตาทิฏฐิพิจารณาไม่ดีก็เป็นสัจตตาทิฏฐิได้เหมือนกันนะถ้าพิจารณาโดยอภิญปาระไนก็ละทิฏฐิโดยอากิริยะทิฏฐิอะไรพวกนี้นะมันก็ถ้าพิจารณาโดยไม่แยกคลายก็ทําให้มีความเห็นผิดได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องพิจารณาโดยความแยกคาย การพนันาคาถาแสดงความไม่ทั่วไปกับบุคคลอื่นก็จบแล้วนะก็เป็นการสรรเสริญคุณของระสมาสมาสมเจ้าในการที่จะรู้สิ่งต่างๆที่บุคคลอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ต่อไปก็จะกล่าวถึงเรื่องยศธรรมห้าอย่างนะเป็นอารมณ์ของสัพพัญยุติญาณซึ่งจะไว้กล่าวในวันพรุ่งนี้อันนี้ก็สมควรกับเวลาภูายท่านทั้งหลายได้จัดาประสาทะ แล้วก็อบรมไตรจิตาเพื่อจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยการน้อมนําคุณของสมมาสา ม, มุริเจา้าไปอบรมเจริญไว้ในใจเพื่ให้เกิดปีติปราโมทอันจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดปัาสธิเกิดความสุขเกิดสมาธิแล้วก็เกิดกถาภูตายานัทสนะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขส ม, มุตรทยนี้ทุกขันยโรดนี้ทุกขนยโรท่ร า, ามินีปฏิปทาคอยท่านได้ตรัสรู้อริยสัจสแล้วก็พ้นจากวัฏทุกข์โดยทั่วการเทินสาธุ สาธุสาธุ